สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิเธิยภิบาล น, นะครับในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันพุธชีวิตพระเยซูตอนที่สองร้อยเก้าสิบสองคำอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่หกสิบเจ็ดพี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมจะขออนุ ญ, ญาตอ่านบทความจากหนังสือเรื่องคาอธิษฐานของพระเยซูเพื่อการทะลุทะลวงในชีวิตโดยด็ตอร์ทาวส์นะครับพี่น้องครับ มีบางคนที่ไม่สามารถอธิษฐานทำอธิษฐานของพระเยซูได้เพราะเหตุที่ว่ามีคุณสมบัติบางอย่างที่เราจะต้องมีต้องเป็นเพื่อที่ว่าเราจะครบถ้วนในคุณสมบัติต่างๆเหล่านั้นเราจึงจะสามารถอธิษฐานตามแบบอย่างของพระเยซูได้เพราะเหตุที่ว่าคำอธิษฐานของพระเยซูนั้นมีหลายมิติมีหลายแง่มุมซึ่งควรจะพิจารณาเป็นอย่างยิ่งว่าเรานั้น อยู่ในเงื่อนไขเหล่านี้บ้างหรือไม่ประเด็นต่างๆที่ผมจะนําเสนอจากหนังสือเล่ม น, นี้เป็นประเด็นที่น่าคิดครับเพราะเหตุที่ว่าเราทั้งหลายซึ่งเป็นลูกของพระเจ้านั้นเรามีความจำเป็นที่จะต้องมีคุณสมบัตินะครับต้องมีเงื่อนไขในการที่เราจะอธิษฐานต้องเข้าใจว่าเราควรจะปรับเปลี่ยนท่าทีอย่างไรเพื่อที่คำอธิษฐานของเรานั้นจะได้รับคำตอบจากพระเจ้า คำอธิษฐานของเรานั้นจะกลายเป็นเครื่องหอมที่ลอยขึ้นไปเป็นเหมือนของถวายบูชาครับเพื่อที่พระเจ้าจะทรงโปรดปรานคําอธิษฐานการนมัสการของพวกเราในทุกๆวันพี่น้องครับผู้ที่ไม่สามารถอธิษฐานคาอธิษฐานของพระเยซูได้นะครับก็คือคนที่ไม่รู้จักพระเยซูนี่เป็นประการแรกครับเพราะถ้าเราไม่รู้จักพระเยซูเราก็ไม่สามารถอธิษฐานว่า ถ้าแต่พระบิดาแห่งข้าพงษ์ทั้งหลายได้เพราะเหตุที่ว่าเราไม่รู้จักพระเยซูเพราะพระเยซูนั้นเป็นพระบุตรของพระเจ้าเมื่อเราไม่รู้จักพระเยซูเราก็ไม่อาจรู้จักพระบิดาซึ่งเป็นผู้ที่ใช้พระเยซูมาในโลกนี้ได้เพราะฉะนั้นคําอธิษฐานคําว่าถ้าแต่พระบิดาแห่งข้าพงษ์หลายจึงเป็นไปไม่ได้ถ้าเราไม่รู้จักพระเยซูประเด็นที่สองก็คือถ้าเรายกย่องตัวเอง เราก็ไม่สามารถอธิษฐานว่าขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะได้เพราะเหตุที่ว่าเรากําลังเคารพสักการะตัวเองเพราะถ้าเรายกย่องตัวเองเรามีความหญิงยะโสเราก็ไม่สามารถอธิษฐานได้ว่าขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะตราบใดก็ตามที่เรานั้นยังไม่ยกพระองค์เป็นที่หนึ่งเราก็ไม่สามารถอธิษฐานคําอธิษฐานประโยคนี้ได้ ประเด็นที่สามก็คือถ้าเราปฏิเสธการปกครองของพระเยซูเราก็ไม่สามารถอธิษฐานได้ว่าขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่เพราะว่าคําว่าแผ่นดินของพระเจ้าหรือแผ่นดินของพระองค์นั้นก็หมายถึงการปกครองของพระเยซูที่อยู่เหนือประชากรของพระองค์ถ้าเราปฏิเสธการปกครองของพระองค์พระเยซูยังไม่ได้เข้ามาในหัวใจยังนั่งอยู่ในบัลลังก์ใจของเราเป็นที่หนึ่งแล้วแล้วก็เราก็ไม่สามารถที่อธิษฐานคำคำนี้ได้ครับ ประเด็นต่อไปประเด็นที่สีถ้าเรายังมีจิตใจดื้อด้านไม่ยอมเชื่อฟังเราก็ไม่สามารถอธิษฐานได้ว่าขอให้เป็นไปนตามพระไทรของพระองค์เพราะเหตุที่ว่าท่าทีแห่งการไม่ยอมเชื่อฟังนั้นทําให้เราไม่สามารถเดินอยู่ในหน้ามัทไธของพระเจ้าได้เดินอยู่ในมัรคาของพระเจ้าได้ต้องการการเชื่อฟังเท่านั้นต่อไปครับ ถ้าชีวิตของเรามีไว้สำหรับที่นี่เดี๋ยวนี้และเพื่อตัวเองเราไม่สามารถอธิษฐานได้ว่าในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ขอให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกเป็นที่น่าเสียดายนะครับหลายๆครั้งในชีวิตของเรานั้นเรามีแต่ตัวเราตัวเราตัวเร า, เราของเราของเราของเราเพื่อเราเพื่อเร า, า, ร เ, ราเพื่อเราอนาคตของเราเพื่อเราสำหรับเราเท่านั้นน่าเสียดายครับ สิ่งที่เกิดขึ้นในสวรรค์ก็จะไม่เกิดในแผ่นดินโลกนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในสวรรค์ก็ไม่เกิดในชีวิตของเราและครอบครัวของเราเพราะฉะนั้นถ้าชีวิตของเรามีไว้สําหรับที่นี่และเดี๋ยวนี้เพื่อตัวเองเราก็ไม่สามารถอธิษานว่าในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ขอให้เป็นอย่างนั้นในแผ่นดินโลกประเด็นต่อไปครับถ้าเรายังช่วยตัวเองนะครับเรากําลังยืนอยู่บนลาแข้งของตัวเองเราพึ่งตัวเอง จนเป็นที่พึ่งแห่งตนเราก็ไม่สามารถอธิษฐานว่าขอทรงโปรดประทานอาหารประจําวันแก่ข้าพงทั้งหลายในการวันนี้เพราะเหตุที่ว่าอาหารประจําวันของเราทั้งหลายนั้นมาจากพระเจ้าครับเป็นพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระเยโฮวาหิเรมายรวัยเดอร์มายรวัยเดอร์ก็คือเป็นผู้ที่ทรงจัดเตรียมสิ่งที่จําเป็นสําหรับชีวิตของเราประเด็นต่อไปครับถ้าเราไม่ยกโทษเราก็ไม่สามารถอธิษฐานได้ว่า ขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เสียพี่น้องครับหลายเครั้งทีเดียวเรามาถึงจุดจุดนี้ก็คือเราไม่อาจที่จะได้รับการยกความบาปผิดเพราะเหตุที่ว่าเราไม่ยกโทษคนอื่นนี่เป็นสิ่งที่จริงจังมากครับเป็นเรื่องซีเรียสเพราะเหตุที่ว่าหลายเยครั้งทีเดียวเราพลาดไปที่เราไม่ได้ยอมยกโทษให้กับคนอื่นหรือ เราไม่ยอมเดินไปหาคนอื่นแล้วขอคนอื่นยกโทษกับเราทําให้เกิดความบาดหมางใจทําให้เกิดความขับข้องใจทําให้เกิดปมทําให้เกิดรากขมขื่นในชีวิตพี่น้องครับเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ไม่อาจอธิษฐานได้ว่าขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองพี่น้องครับในวันนี้ผมขอจบลงที่ตรงนี้และผมจะขอทบทวนนะครับทบทวนตั้งแต่ต้น พอพี่น้องที่จะสงบใจและได้พิจารณาสิ่งที่ผมจะกล่าวต่อไปนี้ถ้าคุณไม่รู้จักพระเยซูคุณไม่สามารถอธิษฐานว่าข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพงทั้งหลายถ้าคุณยกย่องตัวเองคุณไม่สามารถอธิษฐานว่าขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะถ้าคุณปฏิเสธการปกครองของพระองค์ คุณก็ไม่สามารถอธิษฐานว่าขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ถ้าคุณไม่ยอมเชื่อฟังพระเจ้าคุณก็ไม่สามารถอธิษฐานว่าขอให้เป็นไปตามพระไถยของพระองค์ถ้าชีวิตของคุณมีไว้สําหรับตัวเองสําหรับที่นี่และเดี๋ยวนี้เท่านั้นคุณก็ไม่สามารถอธิษฐานว่าในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกถ้าคุณช่วยตัวเอง และอยู่ในความคิด n มเซ t ที่ว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเราก็ไม่สามารถที่จะอธิษฐานว่าขอทรงโปรดประทานอาหารประจาวันแก่ข้าพงทั้งหลายในการวันนี้ถ้าคุณไม่ยกโทษให้กับคนอื่นมีรัขมคืนกับคนอื่นคุณก็ไม่สามารถอธิษฐานว่าขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์นครับให้เช้าวันนี้ จะเป็นเช้าแห่งพระพรที่พระเจ้าจะทรงโปรดเมตตาและอวยพรอาเมน